ب س م الله ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدواء إلا ع ل ى الظالمين ص ل ي وسلم على شرف الأولين والأخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو نجيب نعم هنحقق تاعي د يدرس. คใต้และพื้นที่อื่นด้วยอย่างเช่นภกกาคกลางก็มีจังหวัด อ, อทุทัยธาสิพบุรี <c oughs> และอีกหลายจังหวัดที่กำลังประสบภายนาท่วมอย่างรุนแรงกระจากจุดนี้นะครับที่พวกเรารวมตัวกันศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานเราขอให้มีส่วนท่วมวิงวอนขอดุอาต่อลอสุบฮานฮะมุตะละให้พระองค์ได้โปรดช่วยเหลือพวกเขา และหวังว่าความอ่อนแอของเราและดุอาของเราจะเป็นผลสำหรับพี่น้องของเราที่กำลังประสบความเดือดร้อนตอนนี้อัลลอฮฺมะฟัร์จังานอิขวานีนะยารบุลอาลามีนอัลลอฮฺมะฟัร์จังัมยาอัฟรุมักอักรมีนอัลลอฮฺมะฮาวะไลฮุมวะลาะไลฮิมยารบุลอาลามีนอัลลอฮฺมะอันซิลลมตรอลมนาบชรรบลอาลมีน اللهم جنبهم كل الآفات والمضرات يا أكرم الأكرمين اللهم ي س ر لهم أحوالهم اللهم ي س ر لهم أمورهم اللهم نجهم من كل ما يضرهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تدرء في نحور كل ش ر ي ا رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم ت و ب علينا إنك أنت التواب الرحيم ว่าขึ้นต่ออาน الحمد لله رب العالمين อันบางเอิน เ, เราได้ถึงอายะ90ที่อัลลอฮฺสุภาตุลาพูดถึงเรื่องการจมน้ำของฟิราหที่จมน้ำอ่ะนะก็เ ก, ก, ก, กน้ำมือนกันแล้ววันนี้ก็มีข่าวไม่ดีของพี่น้อง ทางภาใต้ที่ประสบน้ำท่วมว่าว่ามีรายที่เสียชีวิตแล้วยังไม่รู้ที่รายนะ่ะก็เป็นข่าวที่ไม่น่าฟังนะครับสำหรับทุกภัยที่ไม่น่าคาดคิดว่าน้ำมาที่เป็นน้ำฝนนะ่ะนะถ้ามันเกินความต้องการของมนุษย์ก็จะเป็นภัยทางที่น้ำฝนเนี่ยจำนวนแค่ไหนก็ ก, ก็ตามอ่ะนะ บางพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยเขาต้องการประเทศพื้นที่ที่แห้งแล้งอะนะเขาต้องการน้ำฝนขอให้น้อยนิดก็ยังดีสำหรับเขาการที่อัลลอฮ์สุภานน้าวตารัดสรรริสกีปัจจัยนชีพและส่วนสำคัญของปัจจัยนชีพนี่ก็คือน้ำฝนที่อัลลอา์เรียกว่าเป็นรัหมะ เราไม่สามารถบอกว่าที่เอาล่ให้มานี่มันเกินความต้องการเสมอไปเพราะเราต้องกลับมาดูว่าตัวเราเองได้จะสรรผังเมืองและโครงสร้างประเทศให้รองรับริสกีนี้มากน้อยแค่ไหนมันเหมือนมีคนรวยมาบอกกับเราว่าอยากได้ตังไหมเราเขบากวคาอยากได้ เขก็ถามว่าอยากได้เยอะไหมเราก็บอกว่ายิงย่งเยอะยิ่งดีสิสตังอะใครจะไม่เอาว่ายิงย่งเยอะก็ยิ่งดีขอคนรวยขนรถยี่สิบล้อมามีตังมาให้ที่บ้านเรานะ่ะบ้านเรานี่ก็เล็กเดียวเราก็ไม่มีความสามารถที่จะรองรับเงินก้อนนี้ แน่นอนว่าเราไม่ได้เตรียมตัวและความบกพร่องของมนุษย์ในการที่จะบริหารแอลกอฮอและปัจจัยยังชีพเนี่ยมันหนีไม่พน้นพราะเรารู้ว่าเราเนี่ยเวลาเตรียมตัวที่จะรองรับปัจจัยยังชีพเนี่ยเราไม่มองถึงคนอื่นเหมือนคนที่ขอตังค์จากคนรวยคนนี้ คนรวยเขาขนตังมาให้นบอกอ้บ้านฉันไม่พอบ้านฉันพังสิพอเขามองว่าเงินก้อนนี้เนี่ยต้องลงที่เขาคนเดียวแต่ถ้าเขาบอกกับคนรวยนี่นี่ไงบ้านพี่น้องฉันนี่ก็เหมือนบ้านฉันเนี่ยเทมาเลยแล้วก็แจกให้พี่น้องเลยคงจะไม่เป็นวิกฤตแต่โลกใบนี้นี่ยเขากำลังบริหาร ปัจเจ้ายังชีพที่พระเจ้าให้มาเนี่ยแบบตัวใครตัวมันประเทศใครประเทศมันใครมีน้ำมันก็เป็นของใครเป็นของเขาคนเดียวแต่ใครมีน้ำก็เป็นของเขาคนเดียวฉะนั้นจะมาบอกว่านี่ไงอัลลอจะสรรไม่เท่าเทียมไม่ใช่เราต่างหากที่ไม่ได้บริหารริสกี่ที่อัลลอให้มาเนี่ย ให้แพร่หลายเพราะอัลลอฮ์สุภาเนวดาละตอนประทานริสกีมาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้มองถึงอธิปไตยของประเทศโู้นประเทศนี้อันนี้เราอุปโลกขึ้นมาเองเนีไม่ใช่ไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ใช่อัลลอฮ์ Allah ที่บอกว่าอันนี้ไทยอันนี้ลาวอันนี้ <c oughs> แม้กระทั่งบ่อน้ํามันนะี่ยนะไปดูดิบ่อน้ํามันเนะี่ยที่อัลลอฮ์กำหนดให้เป็นทรัพยากรชนิดหนึ่งนะนะอัลลอฮ์ก็ไม่ได้บอกว่าบ่อน้ํามันนี่จะต้องช้เฉพาะประเทศนี้ บ่อน้นมันบางบางพื้นที่นี่นะมันอยู่หลายหลายประเทศหลายอธิปไตยประเทศต่างๆนี่ก็ต้องมานั่งโตงคุยกันเจรจากันว่าจะแบ่งยังไงจึงให้เห็นว่าทรัพยากรที่ Allah ให้กับมนุษย์เนี่ยเขาต้องเขาต้องคุยกันปัญหาน้าตอนนี้นะทั่วโลกเนี่ยก็เพราะเราไม่ยอม ที่จะแบ่งปันแล้วก็ให้สิทธิของคนอื่นประเทศไหนนี่มีแม่น้ำมีแหล่งน้ำเนี่ยก็จะมองว่านี่คือเป็นสิทธิของเขาเขาก็จะจัดสรรสร้างเขื่อนสร้างที่เก็บน้ำสำหรับประเทศเขาอย่างเดียวแต่ถ้าเราวางแผนอย่างกว้างขวางให้ทุกภูมิภาคเนี่ยได้ประโยชน์ จากทรัพยากรนี้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดปัญหาก็เหมือนฟิราอานี่แหละครับที่อัลลุฮฺ س ب ح ا ن าและให้ประเทศอิบเนี่ยมีทรัพยากรมากมายมีปัจจัยยังชีพมากมายมีความสามารถในการทำเกษตรเพราะมีแหล่งน้ำที่ใหญ่หลวงที่สุดในโลกก็คือแม่น้ำไน จึงำทำให้เขามีอำนาจต่อรองเยอะ <c oughs> แทนที่จะให้อำนาจและกับความสามารถปัจจัยยังชีพที่พระเจ้าให้เขาเนี่ยได้เป็นสิทธิของมนุษยชาติแล้วก็มีการแบ่งปันให้คนอื่นด้วย <c oughs> เขาเหวงแหนปัจจัยยังชีพนี้ให้เป็นของตัวเองและพวกพ้อง แม้กระทั่งประชาชนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเขาเนี่ยก็ข่มเหงให้เขาอยู่ภายใต้อันนัตและการบริหารที่ขาดความชอบเพราะประชาชนที่ถูกข่มเหง น, นี่เขาต้องการปลดแอกและใช้ชีวิตแบบอิสระกลับไม่ยอมให้เขาได้อิสระอันเป็นสิทธิโดยชอบของมนุษย์ทุกคน เขาเกิดมานี่ไม่ได้เป็นทาสท่านนาบีมูซาและบนรอิสราอลนี่เขาไม่ประสงค์ที่จะอยู่ประเทศอียิปต์ถ้าเขาอยู่ในสภาพที่ถูกกดขี่แบบนี้ก็ลเลยขอพยพขอออกจากประเทศฟี่เราไม่ยอมก็เลยก็เลยตั้งกองทัพ เฉพาะที่จะไปไล่ล่าบรรนุอิสราเอลทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้เห็นพระเดชานุภาพของ Allah سبحانه ะตางและความสามารถของท่านนบีมูซาแต่ที่จะสำนึกและก็รู้ว่าเขากำลังท้าทายกับพระเจ้าก็ยังดื้อดึงและก็ไล่ล่าท่านนบีมูซาเพื่อท้า ท, า, ทายอำนาจของ Allah อัลลอฮฺสุบฮานาวะดาและจึงแสดงพระอำนาจของพระองค์เยังเบ็ดเสร็จแผ่นดินก็เป็นของอัลลอฮฺน้ําทะเลก็เป็นของอัลลอฮฺอัลลอฮฺก็ให้อะไรกันลยะพื้นที่อันเป็นอำนาจของฟิราห์เนี่ยอธิปไตยของเขาอะพราะเขาอ้างว่าเป็นเป็นผู้ครอบครองแผ่นดินทั้งหมด ทั้งบกและน้ำไงเ ล, ลาก็ให้อธิปไตยของเขาเนี่ยได้เป็นทัวพิสูจน์ตัวพิสูจน์ถึงความอ่อนแอของเขาว่าเขาเขาไม่มีอานาจที่แท้จริงบนผื้นแผ่นดินนี้และทำให้เพร์ราเนี่ยได้จมไปในน้ำทะเลทะเลแดงตามที่เราได้อธิบายสัปดาห์ที่ผ่านไปแล้วนะครับ ท่านท่านนับีมูซาก็ได้ได้ให้บรุอิสราเอลเห็นอภินิหารหรือมูอัตีจันี้เพื่อให้เขาได้เชื่อมัน่นเชื่อมั่นในในตัวท่านนับีมูสาและในคำสั่งในคำสั่งของเขาแต่ปรากฏว่า บรรดอิสราเอลนี่เริ่มเริ่มตุกติกบิดผิวตั้งแต่เขารู้สึกว่าอยู่กับท่านนาบีมูซานี่ะปลอดภัยละพอตอนนี้มาถึงทะเลแล้วเนี่ยพวกเขาบอกตามในโซลข้อสุดเนี่ยบอกว่าอินนัลมุดระกูลฟิรอาอเนี่ยทันแน่ทันทันมาจัดการเราเนี่ยแน่ ท่านน บ, บีมูซ่าบอกว่ากล่า al ไม่เลยอินน ah ์มะยีรับบีสัยฮดีนอัลลอฮอยู่กับฉันและพระองค์จะให้ทางนำกับฉันก็หลังจากนั้นท่านน บ, บีมูซาก็ได้ใช้ไม้เท้านี่ตีน้ำทะเลน้ำทะเลเนี่ยก็แยกเป็นเป็นสิบสองซอย <c oughs> ตามจำนวนลูกหลานของสายตระกูลของบนรดสราอิลอธิติแล้วเนี่ยผมคาดเคลื่อนแล้วบอกว่าลูก ของท่านนาบียาคูบเนี่ยสิท่านรวมถึงท่านนาบียูซุฟและกับินยามียน14ท่านน่ยอันนี้คาดเคลื่อ น, ค, อนคือท่านนาบียูซุฟและกับินยามีนน้องชายของท่านนี่นะคนละแม่นะกับทั้งหมดเนี่ยสิท่านอสบาดนี่นะของลูกหลานของท่านนบียาคูบที่เราเรียกกันวงวานเบนวงวานอิสราเอลแบนูอิสราเอลนี่นะทั้งหมดเนี่ยสสาย12ตระกูลนะ บรรดาอิสราเอลนีล่ก็เริ่มรู้สึกว่าโอแท้ ง, งั้นอยู่กับนบีมูซาปลอดภยัยแล้วสิพอรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วนี่ก็ยางงั้นเราก็เล่นแง่ได้ตลอดไปถึงว่านี่ขนาดอัลลอฮ์บัญชาการให้ให้ทะเลเนี่ยรับใช้นบีมูซาแยากตัวเป็นสิบสิบสองซอยแล้วเดี๋ยวข้ามบกนี่ไปซีนายเนี่ย ไม่มีน้ำจะกินนะั่นนะบีมูซาเนี่ก็เอาไม้เท้าเนี่ยตีก้อนหินนี่พุ่งน้ำมาสิบสองตาเท่ากับจำนวนตระกูลบนอูสเลอีกโอ้ทั้งน้ำทั้งบกนี่รับใช้บัญชาของท่านนบีมูซาเนี่เคยตัวพอข้ามทะเลเรียบร้อยแล้วอะนะ แล้วก็เห็นกันแกตาเนี่ว่าฟิราอูเนี่ยทหารหนุนเข้าเนี่ยถูกกลืนด้วยน้ำทะเลทั้งหมดเนี่ยดูนะความตกติดของของบนรลุสราอลปลอดภัยแล้วไปอยู่ฝั่งโน้นปลอดภัยเรื่ไงแล้วกับทหารบรรุทหารฟิราอูเนี่ไม่มีแล้วนะฟิราอูตายทิงทุกอย่าตายทิงาฟิราอูมันฟิราอูนะโอยจะเชื่อยังไงว่าฟิราอูนี่ตายละจะเชื่อยังไง a, a ira, Yang ja Yang ja okay. ang, l l a سبحانه س تعالى كلي باقبن إ س ا ئ ي ل وراء ت ي ل ي و م ا ندجك ببدنك ل و ن لمن خ ف ك آية ي ا ن رأيت ب ن قا قاوننا ي ังใช่ไหมยังใช่ไหมโอเคเดี๋ยวอธิบายเก้าสองแล้วก็เดี๋ยวย้อนกลับไปเก้าหนก็ปูไปเยอะละปูไปเยอะ K aba, k rael, a l l กว่าบนอิสรอลวันนดกลุณลิมฟอาวนคีหแิยันายนลว่าฟดังนั้นวันนี้เราจะให้ร่างของเจ้าออกจากทะเลเพื่อจะให้เป็นสัญญาณเพื่อจะให้เป็นสัญญาณแก่ชนรุ่นหลังจากเจ้าชนรุ่นหลังเนี่ยอุลามาเกือบทั้งหมดเลยเขาบอกว่า บรรุอิสราเอลไม่เชื่อว่าฟิราอเนี่ยตายเนื่องจากว่าถูกคมเหงในยุคของฟิราอูเนี่ยนะถ้าในทัศนะที่เขาบอกว่าฟิราอูนี้ก็คือฟิราอูคนเดียวกันที่เขาเรียกว่าฟิราอูที่ที่เลี้ยงนบีมูซาในวันและก็ฟิราอูคนเดียวกันที่ที่ไล่ล่าฟิราอูนี่แะไล่ล่าท่านนาบีมูซาเนี่นะก็คือ รามซสสเนี่ยหรือรามซีสนี่นะอันนี้เขาปกครองเกือบเจดสิปีนะก็หมายถึงว่าบรรอิสราเอลนี่เขาเห็นการคมเหงอำนาจล้นฟ้าของฟิราห์คนนี้เขาไม่เชื่อว่าตายได้อะมันมันมันจะตายได้อะฟิราห์นี่แต่ตัวนี้นี่มันมั น, มนตายยากอะ บรรดามุฟัซซีเนี่ก็เลยบอกว่าอัลลอฮ์จึงให้ร่างของฟิร้าวนี่ยรอดมารอดมาบนพื้นที่บนบกที่สูงสูงให้บรรุอิสราเอลเห็นลิตะกูนัลีมันขันฟะกะเยะเพื่อจกได้เป็นสัญญาณแก่ชนรุ่นหลังจากเจ้านี่ก็หมายถึงว่าหลังจากที่ฟิร้าวนี่ยได้ตายแล้วคนรุ่นหลังนี่ก็คือ พวกบรรุสเรที่สงสยัยอะที่สงสัยว่าเนี่ยตายจริงน่นแล้วกระศพของเขาเนี่ยอยู่ตอนน้าพวกเขาเลนูนัจจิกานูนัจจิกาบีบบดณฑิกะจะให้ร่างของเจ้านี่ออกจากทะเลนุนัจจิกให้รอดออกจากทะเลทั้งดังดีโอกาสของร่างมนุษย์เนี่ยถ้าจมไปในคลื่น อย่าว่าขึ้นแบบทะเลที่มันแยกเป็นสิบสองซอยแบบเนี้นะขึ้นธรรมดานเนี่ยคนที่เขาจมที่เขาจมจากเกรือนี่ในมหาสมุทรนี่นะการที่จะไปกู้ศพของเขานี่ค่อนข้างยากพราะขึ้นใหญ่เนี่ยมันสามารถที่จะซัดทุกส่วนของร่างหรือวัตถุเนี่ยทําให้ไม่ไม่เหลือชิ้นดีเลยยิ่ง ตัวฟิราลนและก็ทหารของเขาเนี่ยจมในเวลาเดียวกันแต่ส่วนที่รอดเนี่ยก็คือร่างของฟิราลนคนเดียวบรรดามุฟสซีรินเนี่ยเขาตีความมั่วหมายถึงอัลลอ์จะให้ร่างของฟิราลนเนี่ยรอดเพื่อให้บรรุอิสราเอลเห็นอภินิหารมวดิษฐตนี้ว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ ت จัดการให้ฟิราล์นเสียชีวิตจริง แต่มูริสบูไกที่เขาได้ชันสูตรศพของฟิราวเนี่ยและตอนก่อนที่เขาจะรับอิสลามเนี่ยเขาพยายามที่จะศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ของฟาโรและเหตุการณ์ของการออกของบรรอิสราอีล เ, เพราะมันเป็นเนื้อหาที่อยู่ในเตรารอรและอินจีลตอนนั้นก็เป็นคริสต์ แต่พอเขามาศึกษาเรื่องนี้และชนะสูตรศพของฟิราหเนียได้พบว่ามันมีความสอดคล้องมากกับอายานันที่อัลลอฮฺซุบฮิห์นะวะตาอลลได้ได้พูดถึงการให้ศพของฟิราหเนียรอดขึ้นมาเพื่อเป็นสัญญาณจะได้เป็นสัญญาณแก่คนรุ่นหลัง คนรุ่นหลังเนี่ยไม่น่าจะเป็นคนรุ่นนั้นนั้นนั้นคือถ้า Allah บอกว่าจะต้องนที่มัน خلف กับคนมาที่หลังเอาแล้วก็คนในยุคนั้นน่ะที่ที่เพิ่งหนีจากฟิร์อาวนี่นะจะถือว่ารุ่นหลังได้ไงฉะนั้นอายานี้สอดคล้องมากกับการที่ศพของฟิร์อา์เนี่ยร่างของฟิร์อา์เนี่ยรอดมาแล้วยังถูก รักษาเก็บรักษาไว้ตามศาสตร์ของอีบปโบราณที่เขาใช้สมุนไพรในการรักษาศพซึ่งอยู่เป็นพันๆปีอย่างที่เราทราบกันเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ชาวโลกนี่เขาเขาชื่นชมในความสามารถของของอรารยธรรมอีป์โบราณที่สามารถรักษาศพเป็นพันๆปีนะ แต่ที่มันน่าทึ่งมากกว่านั้นนะวอรโมริสบูากซึ่งเ ป, เป็นเป็นเป็นแพทย์เชี่ยวชาญด้านชนสูตรโดยเฉพาะเนี่ยเขาได้พบหลักฐานว่าศพของของฟิราอูเนี่ยที่ได้มานี่นะมันมีสัญญาณหรือมันมีหลักฐานว่าเขาได้เสียชีวิตน่าจะมาจากการจมน้ม แล้วไม่ใช่จมน้ำธรรมดานะไม่ใช่แปลว่าน้ำลึกแล้วเาจมก็แล้วก็ตายนะไม่จมน้ำที่มีการที่มีขึ้นซัดร่างให้ร่างเนี่ยมีร่องรอยของของอปวดช้าอ่ะเนื้อมันช้าอ่ะการที่ร่างของพวกเราเนะี่ยคนเดียวนี่รอดจากเหตุการณ์นั้นทั้งหมดเลยนะมันสอดคล้องกับอาญานีมากแล้วอาญานี ที่ทำให้มูริสบุกเข้าด้รับอิสลามซึ่งถ้าเรามาพิจารณาในยุคปัจจุบันนะมุสลิมนะผู้ศรัทธาส่วนมากทั่วโลกนะมันจะไม่ต่างกันมากนักว่าเขาได้เห็นศพฟิราว์นไปนู้นไปวิดีทพัน แล้วก็ไปดูแล้วไปอ่านรายงานของชันสูตรของสศพว่าเป็นที่จริงในรายงานเขาเขาไม่มีตั้งไว้นะเขาไม่มีวางไว้ที่พิพิธภัณฑ์นะอันนี้มันเป็นรายงานในในหนังสือในหนังสือนะักประวัติศาสตร์ที่ได้มีโอกาสเพราะการที่โปรนิสโปรกานี่เข้าไปชนสูตรศพเนี่ยได้รับอนุญาตได้ชนสูตรศพสอสองครั้งครั้งหนึ่งตอนที่แกมาที่อียิปต์และรับอนุญาต จากประธานวิีดีเองเนี่ยตอนนั้นนะอันวอร์ซาดัตเนี่ยจะได้ชนะสุรศพแล้วก็อีกครั้งหนึ่งตอนที่อิบเนี่อนยอนุญาตให้เอาศพของฟิราวนฟิราวนศพเนี่ยไปโชว์ที่ประเทศฝรัง่งเศสได้ชนะสุรสองครั้งแล้วก็เขียนหนังสือแล้วก็จากหนังสือที่มุริสบุไกได้พูดถึงเรื่องชนะสุศพฟิรานี่นะ นักประวัติศาสตร์ที่พูดถึงประวัติของฟาโรห์และก็อียิปต์เนี่ยส่วนมากเขาก็จะอ้างถึงมูริสบุกัยแต่ตัวศพเนี่ยตัวมา ม, มีของของก็ก็โชว์อยู่ที่พิพิธภัณฑ์นี่แต่ไม่มีรายละเอียดนี้ว่าเขาจมน้ำหนีที่เอาเอ่อไลลาโมซาอะไรไม่มีอะไรนี้ไม่มีฉะนั้นสำหรับผู้ศรัทธาทั่วไปเนี่ย ถึงแม้ว่าจะไปดูศพเองจะไปอ่านชันสูตรรายงานและรายละเอียดว่าเขาได้ตายจากการจมน้ำนี่นะมันก็จะไม่ไม่ทำให้ความศรัทธาของพวกเรานี่อเขาเรียกอะไรอ่ะเข็มทิศของความศรัทธานี่มันจะมันจะเข้มข้นมากขึ้นหรือจะมีความเชื่อมากขึ้นเพราะผู้ศรัทธานี่ได้อ่านสุรษยูนุสนี่มันเป็นพันกว่าปีแล้ว แล้วเชื่อในสิ่งที่เราสุภานุวดาลราบอกอย่างความเชื่อมันอย่างสมบูรณ์เลยแต่มันจะต้องมีบางกลุ่มที่เขายังไม่ได้เชื่อเหมือนผู้ศรัทธาทั่วไปอันนี้แน่นอนบริสบุกายเป็นคาทอลิกที่ครึ่งครับเป็นคริสต์ที่ครึ่งครับ และตอนที่ก่อนที่จะเป็นมุสลิมก็เหมือนคนฝรั่งเศสทั่วไปนี่มองมุสลิ ม, มว่าเป็นสวะเขาเกิดในยุคที่ฝรั่งเศสเนี่ยยึดประเทศมโมร็อกโกและอลจีเรียเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและเขาก็เหมือนคนฝรั่งเศสทั่วไปนี่มองถึงอาหรับและมุสลิมว่าเป็น ค, นคนชนชั้นต่ำไม่ไดีไม่ไดีในกรณีธรรมดาธรรมดานี่ของคนพวกนี้เนี่ย การที่พวกนี้เนี่ยจะหันมาสนใจคำสั่งสอนของอิสลามนี่แทบยากแทบยากฉะนั้นเราสามารถบอกได้ว่าการที่ศพของพิเราเนี่ยจะเป็นสัญญาณเป็นอายะเป็นอภินิหารเป็นมูฮัจิจาสสำหรับลิมันขัลฟะกะสำหรับคนรุ่นหลังนี่ไม่ได้หมายถึงว่า ทุกคนในรุ่นหลังอย่างอย่างเรานี่เอาอย่างผมนี่ก่อนที่ผมจะรู้นี่นะก่อนที่จะรู้เรื่องผมก็อ่านอ่านกูตอานอ่านยูนุส น, น, น, นี่ผมไม่มีปัญหาอะไรเลยกับเรื่องนี้ผมเชื่ออยู่แล้วเชื่อว่าิราห์เนี่ยตายเพราะจมนะ้ำเชื่อแต่จะแต่จะพิสูจน์ยังไงกับพวกพวกวัตถุนิยมที่เขา กุรอ่านสำหรับเขาอนะนเหมือนหนังสือพิมพ์เลยนะไบเบิลเตารอสำหรับเหมือนหนังสือพิมพ์แต่เขาจะยอมสยบยอมเชื่อถ้าหากว่าคำพูดเมื่อสามสี่พันปีหรือพันห้ารปีของกุรลา น, นี่นะมันสอดคล้องกับสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ให้เห็นเขาจะเขาจะไม่เถียงเลยและข้อดีของพวก พวกวัตถุนิยมนี่นะว่าข้อดีของเขานะว่าเขาตรงไปตรงมาทำไมอะ่พะพอเขาท้าทายคนทั้งโลกเฮ้ยไม่มีไม่มีฉันไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อมันไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ถ้าไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ฉันไม่เชื่อคือคนท้าทายทั่วโลกแบบนี้นี่นะพอเจอหลักฐานวิทยาศาสตร์นี่มันมันเหมือน ติดคอหรือทำอะไรไม่ได้เนี่ยอก็นี่งหลักฐานวิทยาศาสตร์เขาซื่อสัตว์กับตัวเองนะต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พอเจอแล้วหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นี่ดิ้นไม่ได้เนี่ยข้อดีของพวกเขาอยู่ยนะพะซื่อตรงกับตัวเองคนพวกนี้เนี่ยที่ไม่มีอคติอยู่แล้วกับอิสลามะนะขเขาพรา้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงศาสนาเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง ไม่มีอคติและซื่อตรงกับตัวเองมีตกกะกาที่มันที่มันสอดคล้องกับกับความเป็นจริงเขาก็จะยอมยอมรับแต่คนส่วนมากนะออย่างนักประวัติศาสตร์โบราณคดีเนี่ยที่เขาศึกษาเรื่องนี้เนี่ยเขาก็เห็นว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งเหมือนกันนะว่าสิ่งที่กุานพูดนี่มันสอดคล้องเลย สอดค้องกับวิทยาศาสตร์ด้วยไอ้นี่นิ่มจมน้ำอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้รับอิสลามอัลลอห์เนี่ยจึงบอกว่าอินเนกาซีรัมมินันนาเซียนอายาตินาละกอฟิลูนและแท้จริงส่วนใหญ่ของมนุษย์เฉยเมยต่อสัญญาณต่างๆของเราเฉยก็รู้ความจริงยังไงรู้สัตรธรรมมันเป็นมันอยู่ที่ไหน แทนที่จะค้นหาความจริงและศัจธรรมแล้วก็เชื่อตามสิ่งที่ตัวเองค้นหานี่ไม่ยอมมันเป็นบทเรียนสําหรับพวกเราทุกๆนะุกท่านสำหรับผู้ศรัทธาด้วยนะว่าความถูกต้องนี่บางทีเนี่ยมันมันสวนทางกับสิ่งที่เราเชื่อไว้แล้วที่เราได้ปักหลักไว้แล้วปักหมดุด มันมั น, ม, นมันเรื่องของบรรพบุรุษปู่ยาตายายศา ส, สนาดั้งเดิมความเชื่อดั้งเดิมทัศนะดั้งเดิมหลักการดั้งเดิมมาซามดั้งเดิมคําสอนดั้งเดิมที่เราเคยเชื่อกันมาปฏิบัติกันมาพอมีคนมาบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่มีตัวพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่การที่จะขยับตัวห่างออกจากของดั้งเดิมเนี่ยมันค่อนข้างยาก ความชัดเจนเนี่ยบางทีเนี่ยทำให้คนที่ไม่มีคำตอบไปโต้ความจริงที่มันปรากฏนะทำให้เขานี่ใชมุกนี้แหละทำเฉยอันนี้คความจริงเออเหรอเหรอเหรอเอเอน่าสนใจนะน่าสนใจน ะ, ะคือแสดง acting หน่อยว่าว่าเออเขาก็มีมีนะ่าสนใจเหมือนกันนะ แต่ปฏิกริยาที่มันสมควรแก่เรื่องใหญ่แบบนี้ที่จะทำให้พิจารณาความเชื่อดั้งเดิมที่มันไม่สอดคล้องเนี่ยนี่แหละมันเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนหลายคนกระี่ยล่ใไม่ใช่ใชบางคนอนัลลอฮ์บอกว่ า, ากระเีรอนมินน่าสคนมากมายคนมากมายผมยกตัวอย่างกับตัวเองนะจะได้ไม่หาว่าไปว่าคนอื่น ว่าตัวเองนี่ปลอดภัยที่สุดผมเคยเชื่อในทัศนะว่าถ้าสัมผัสอวัยวะเพศนี่เสียน้ําละมัมบัซึ่งเป็นทัศนะของมัสยิดชาวีและเชื่อแบบนี้เนี่ยมาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดละเพราะเพราะส่วนมากนี่กระเติบโตตามตามความเชื่อของบ้านเรานี่นะบ้านเรานี่บ้านเรานี่คนนี่ไม่ได้เชื่อตามมัสยิดชเวีนี่ก็ en ไม่รอดมัสยิดชาวีน่าจะบอกให้ไม่รอดนะ ทำไมอ่ะมันอยู่ทุกที่เลยอยู่อยู่ยอดเขาอยู่ในนาในสวนนี่มีแต่มาซัพชาฟีอเหมือนมี ฮ, นฮันนะฟีเนี่ยแต่กระจุกกั น, ฮ, นฮันนาฟีนี่กระจุกกันพี่น้องชาวประธานอะจีนห้ออย่างเงี้ยแ้วเราก็รู้ว่าพี่น้องประธานเนี่ยเขา ก, เขาก็เขาก็จํากัดพื้นที่ของเขาเนี่ยอะจีนห้อล่ะเขาก็มีเมลิดของเขาอ่ะ เขาไม่มียุ่งไม่ยุ่งกับใครแต่ชวีและโอ้โหทุกสารทิศเลยมันนิ้มรอดอ่ะสัมผัสเอาไว้เพจเนี่เสียน้ำละมาดนีเพะได้ยินฮาดิษที่รายงานว่ามันมัสจะกระหูฟิลยอัตวัตผู้ใดที่สัมผัสเอาไว้เพจของตัวเองนี่จงอาบน้ำละมาดเสีย ช่วงที่ยังเด็กยังไม่ไดเรียนหาดิสะนะผมเชื่อวเป็นฮาริสสอยแต่ยังเด็กอยู่นะทําไมอยากเรียนกันไหม mm hmm. ก็กูเรียนมาอย่างเงี้ยใจใ จ, ใ จ, ใจแล้วก็ไม่ได้เรียนอย่างอื่นไงแล้วก็ตอนถูกสอนนี่ก็ไม่มีไม่มีใครสอนอย่างอื่นแต่ที่ว่าถ้าตอนนั้นน่ะถ้าเห็นแก่ตาว่ะว่าคนสัมผัสเอาไว้ว่พีดแล้วก็เข้าไปละหมาดเฉยๆอย่างงี้เนี่ยเรามีมีมีออกจากละหมาดแน่ ทำไมอะก็เราเชื่อว่าสมบัติประเภทนี้มันเสียน้ำนมั น, นแต่พอโตหน่อยเนี่ยแล้วก็ได้ได้ยินเอ้ยมันมีทัศน์อื่นอนะนี่นี่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกเลยนะในชีวิตนะการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกนี่ว่ามีคนบอกเอ้ยมัซฮาบอื่นเนี่ยเขาเ ข, า, ขาไม่เสียนะเอ้ยมีด้วยเหรอนะแล้วเป็นมัซฮาบมัซฮาบอบูฮานีฟานเออไม่ธรรมดานะ พราอับาฮาอิฟานี่ก็ว่าหับใหญ่โตเหมือนกันรู้ว่ามีมีความขัดแย้งแล้วอ่ะนะแต่ยังไงก็ต้องทำตามที่เราเชื่อเราเราเชื่อว่าอย่า ง, งานั้นแล้วก็ปฏิบัติไว้อย่า ง, ง น, นั้น่ยจะเปลี่ยนเพื่ออะไรอะ่ะไม่มีเหตุผลยังไม่มีเหตุผลเลยพอโตวนิดนึงอ่ะนะอีกหน่อยนึงก็เริ่มในมหาวิทยาลายัยเรียนวิชาหนึ่งก็เร็ ฟังควมุการอนนิติศาสตร์เปรียบเทียบือเรียนเปรียบเทียบระหว่างมัธยมแล้วก็อาจารย์ที่สอนผมนี่นะเขาก็มาเปรียบเทียบระหว่างสองมัธยมบุหานิปะแล้วก็มัธยมชั mmm ้วีลาอาจารย์ผมนี่นะมนุษยมีชีวิตหรือเปล่าแต่แต่ก็แกก็เก่งนะแต่แกก็มัธยมชา้วีอ่ะ พอมีมัจฮับอะไรที่มันไม่ตรงกับมัจฮับชาฟีนี่นะแล้วก็มัจฮับตรงข้ามนี่จะแข็งแรงหลักฐานเขาแข็งแรงกว่าเนี่ยเขาจะเสนอทุกมัจฮับนี่ก็แล้วก็ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ตัดสินไม่ตัดสินก็เสนอทัศนะของอิหมัมชาฟีแล้วก็หลักฐานที่ว่ามันมัศจักรอุนโลผู้ใดที่แอบนั่นแล้วมาสัมผัสไอเฟนนี่ก็จงอ้ามนั่นละมา่เสียและเสนอมัจฮับ อบูฮานีฟะซึ่งเขาก็มีหลักฐานหะดีสของตัลกิบนียเลยถามท่านนบีว่าผู้ใดสัมผัสอวัยวะเพศเนี่ยต้องอา่านนลมาดไหมเฮลีย์ตะวันตะนบีบอกว่าอินนามาฮัวบิดดะตุมิงกะแท้จริงอวัยวะเพศนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของเจ้าแต่หมายถึงว่าก็เหมือนสัมผัสจมูกสัมผัสหัวสัมผัสหูสัมผัสอวัยวะเพศนี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไม่ต้องสรุปไม่ต้องอ่า น, นนื้อมาด จนไปอ่านตำราหนึ่งตำรานี้เนี่ยก็ให้น้ำหนักกับมัจฉาชวียิ่งทาให้เรามั่นใจว่าอจถูกต้องแล้วกับที่เราเชื่อที่เราทานี่มันถูกต้องแล้วแต่พอเราไม่ไม่อ่านตำราที่เขาช่างให้เรานะเขาจะไม่ช่างให้เราไมเราไปตรวจสอบหาดิสเองเลย ไปอ่านทัศ น, นะจากมัจฮับจากแหล่งมัจฮับเองแล้วก็หะดีซี่เขาอ้างนี่เนี่ยไปเอาจากตาราหะดีซเลยแล้วก็ไปศึกษาสายรายงานหะดีซเองเลยนะไม่ต้องให้มีใครมาชี้นาเลยนะปรากฏว่าหะดีซของทั้งสองมัจฮับเนี่ยทั้งมัจฮับที่บอกว่าให้อ่นานนัตตลัและมัจฮับที่บอกว่าไม่ต้องอ่นานนัตตลับเนี่ยหะดีซ์ได้ทั้งคู่จึงทําให้เรื่องนี้ในเรื่องสัมพันธไวเพศเนี่ย มันไม่มีหลักฐานกำชับว่าจะต้องอ่านนนละหมาดหรือไม่อานนนละหมาดถ้าเช่นนั้นแล้วเนี่ยการที่จะให้อ่านนันละหมาดเนี่ยจะเป็นข้อบังคับไม่ได้เพราะการอ่านนนละหมาดนี่เป็น อ, อิบารัไม่สามารถบังคับใช้จนกว่าจะต้องมีหลักฐานชัดเจนถ้าไม่มีหลักฐานชัดเจนแสตงอไม่ต้องอ่านนนละหมาดสรุปแล้วมาสับที่จะมีน้าหนักมากกว่าก็คือไม่ต้องอ่านนละหมาด ไม่ใช่เพราะมีหะดีสัวไม่ต้องอ่านนัตเมานนะพอาะดีสี่ไม่อ่านนัตเลมานี่มันตองอิฟเอาแล้วไม่อ่านนัตเมานี่พออะไรเพราะไม่มีหะดีสไม่มีหลักฐานเลยที่จะใช้ให้อ่านนัตเมานพิสูจด้วยตัวเองแล้วนะมั่นใจแล้วเนี่ยว่าเออทัศน์ที่ถูกต้องอย่างนั้นก็แล้วผมก็ฟัตัวตามนั้นด้วยและประกาศ ช่วงนั้นนานละผมประกาศว่าปเปลี่ยนทัศนะนะไม่เคยเคยฟะตัวว่าให้อานนั่นละหมัดแล้วก็เดี๋ยวนี้ผมก็เห็นเห็นว่าไม่มีรัฐะก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องอานนั่นละหมัดแต่นี่บอกกับพวกเราเองนะรู้สึกลูกหาเองนะตัวผมเองนะทุกวันนี้เนี่ยเวลาสัมผัสอ้อยเพศอ่านละหมัดแล้วก็สัมผัสอ้อยเพศก็ยังรู้สึกมันยังรู้สึกไม่ซอกใจอะ บางครั้งก็อ่านนละหมาดบางครั้งก็เอในเมื่อเราฟะตัาคนอื่นว่าไม่ต้องอ่านนละหมาดแล้วเราจะมาจะมาดื้ออ่านนั่นละหมาดทำไมลนะ่ะอันนี้ให้บอกว่าอิทธิพลของความเชื่อดังเดิมผมไม่ได้ว่าคนอื่นนะ ว, ว่าใครนะว่าตัวเอง ว่าตัวเองนี่ตัวเองที่สอนคนอื่นให้ตามสุนนะให้ตามพอดีใส่ตามอะไรนั้นบางทีนี่นะอิทธิพลของสิ่งที่เราปฏิบัติมามันคบงำจริงๆทําให้เราเนี่ยมันสึกมีอาจารย์ท่านหนึ่งเล่าเล่าให้ผมฟังว่ามีมีพี่น้องคนหนึ่งเขาใช้ชีวิตชั่วชีวิตของเขานี่นะตามทัศนาในมจัจจฉาวีอวสมควรเเวลาละหมาดเนี่ย ต้องเจตนาด้วยวาจาที่เขาเรียกกันในนามว่าอุสลีก่อนที่จะอวันนี่นวยทวันอุสลีสลตุรีอัาะกะดิลลาฮิตาอลนี่นี่ยด้วยอุเครดเนียด้วยวาจาก่อนีจะินนวัยนอุสุลีอลบาละกะลลาตาอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอัลลอฮฺอัลลัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัล ไม่มีเ AH ลยหไม่มีเอาล้วเอามาจากนี้มัสยช ا ف บ้านเรามัสหิเดียวนะในโลกใบนี้เนี่ยในจักรวาลนี้มัสยิดชาฟบีมัสยเดียวที่บอกว่าให้อุสลีนี่มัสอื่นล่ะอับูฮานวาไม่มีอิบราฮิมไม่มีอิบามลีอามันฮัมัลก็ไม่มีแล้วพี่น้องไปล้มาที่ไหนทั่วโลกนะก็จะไม่มีนะครับไอไออาการสตาร์ทเนี่ย อาการสตาร์ทก่อนละหมาดเนี่ยมีเนี่ยมาลายูเฉพาะมาลายูก่อนละหมาดนี่กว่าจะสตาร์ทกันที่อื่นไม่มีเนาะเราเขาก็เขาคือสตาร์ทติดง่ายไงที่นี่เฉพาะที่ที่ที่ใบ้านเราเขาก็บอกว่าเออเราไม่มีไม่มีแล้วหลักฐานน่ะหลักฐานก็ไม่มีไม่มีหะดีสนะมีว่าให้ให้อุศเลหให้กาวนียาเนียไม่มีโอ้แสดงว่าไม่มี เขาก็ตัดสินใจแล้วว่าเอาทำตามตามถูกต้องแล้วกันไม่ไม่อุสรีแล้วแต่บางทีเนี่ยไม่ใช่บางทีเนี่ยหลายครั้งเนี่ยว่าแล้หมาดนี่ก่อนล้หมาดอุสรอุสีคือมันติดไงเฮ้ยแกแกรู้แล้วมันใช่ท่นรู้สึกไม่ซ้อใจคือรู้สึกว่าถ้าจะละหมาดแล้วไม่กล่าวอุสลีนะมันจะไม่ซ้อใจอิทธิพลของของความเชื่อดั้งเดิม มันมีเรื่องที่คล้ายๆ ข, ของอิทธิพลดั้งเดิมและมันเกี่ยวกับเรื่องเรื่องฟิรก์กับกับบรรดอิสราเอลเขาบอกว่าบนุดอิสราอลเนี่ยเคยชินเคยชินกับการคมเหงของฟิร์ และการที่เขาเคยชินนี่ทำให้ทำให้เขาไม่สามารถที่จะปรับปรับตัวเองได้คือตอนนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมนิดหนึ่งกำลังคุยเรื่องเรืออยู่แป๊บนึน่งพี่น้องกำลังเะอร้อนอยู่ครับพซอครับครับพี่ซอกำลังสอนอยู่ เดี๋ยวผมก็ละเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะติดต่อเพราะปีกำลังสอนตับซีดอยู่นะนะครับคับคับสอนหาเรือยากตรงนี้หาเรือกำลังหาเรือจะได้ช่วยพี่น้องมาด้วยครับไม่เคยทําเลยนะไม่เคยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะแต่มันเป็นเรื่องชีวิตของพี่น้องเนี่ยมันเรื่องใหญ่ บรรุสราอินนี่ก็เลยก็เลยมีพฤติกรรมพฤติกรรมของเขาเนี่ยก็คือพฤติกรรมของของคนที่เคยชินกับการอธรรมกับการคุมเหงการบังคับพอมาอยู่กับท่านนาบีมูซานิท่านนาบีมูซ า, า, นนาม่ได้บริหารปกครองบรรุสราอีด้วย ด้วยผเด็ิการด้วยการบังคับบริหารปกครองด้วยด้วยความอิสระเนไงเพราะนี่คือหลักการศาสนาที่มาจากพระเจ้าอิสระไม่มีการบังคับการที่ไม่ได้บังคับเขาการที่ไม่ได้ไม่ได้คมเหงเขาเนี่ยทำให้บรุอิสรอินเนี่ยแสดงความแสดงคือความดื้อดึงและนี่คือ สิ่งที่ทำให้บนุอิสราเอลเนี่ยสร้างความลำบากใจกับท่านนบีมูซาในหลายเหตุการณ์หลังจากที่อพยพออกจากอิบจนกระทั่งความดื้อดึงของบอรุอิสราเอลภายหลังเนี่ยกลายเป็นอุทาหรณ์ที่อัลลอสุบฮานาห์วะตาลาได้ยกมาให้เป็นเหตุผลสำหรับบนุอิสราเอลุนหลังด้วย ว่าการดือดึงของบรอิสรอลฝ่าฝืนคาสั่งของท่านนบีมูซาและบรรดานบีท่านอื่นด้วยนี่นะเป็นเหตุผลที่ทาให้บรรดถูกสาบแช่งลูกในั่ละทีนก็ฟารูมินบันิอิสราเอลบรรดอิสราเอลเนี่ยถูกสาบแช่งอาลาลิซานดาูดดอิบมาริยมในคาพีของนบีดาวูดและคาพีของไอซานี่คืออินจี แต่เหล็กะบ و มาอัลสุวาแกนุญาตดดเนื่องจากพวกเขาได้ฝ่ฟาฝืนคำสั่งของน บ, บีรัรสูละกละมิดคำสั่งสอนของพระเจ้าและการสาบแช่งนี้จะติดอยู่กับตระูนบานุอิสราออลตลอดไปยกเว้นกลุมยวที่จะปลดแอก แห่งการฝา่าฝืนนี้และเชื่อบรรดานอับีุลราซูลในรุ่นหลังฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยยิวที่มีความเคร่งครัดเรื่องศาสนานี่หลายกลุ่มนะเขาเชื่อว่าการที่ตั้งรัฐอิสราเอลที่ปาเลสไตน์เนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฝา่าฝืนคําสั่งของบรรดาอับีุราซูลและพระเจ้า เขาเชื่อว่าเขาเนี่ยถูกสาบแช่งไม่ให้มีถิ่นฐานไม่ให้มีประเทศของตัวเองไม่ให้มีรัฐของตัวเองจนกว่าน บ, บีสุดท้ายที่เรียกว่ามิซายันจะมาในรุ่นในรุ่นก่อนวันสิ้นโลกเนี่ยและจะมาฟื้นฟูสภาพของบรรดวิสราอิก่อนหน้านั้นนะะห้ามตั้งรัฐห้ามมีถิ่นฐานห้ามมีประเทศของตัวเองโดยเด็ดขาด และการที่ตั้งประเทศเนี่ยถือว่าเป็นการฝ่าฝืนเขานี่มองว่านี่คือการฝ่าฝืนและการนี่มาตั้งรัฐอิสราเอลของเขานี่นะก็ถือว่าเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้เขาเนี่ยยั ง, ย, งยังต้องรับการสราปแช่งจากพระเจ้ายิวกลุ่มนี้เนี่ยทุกปีเนี่ยต้องออกมาประท้วงว่าไม่เห็นด้วยกับไซออนสิสไม่เห็นด้วยกับการตั้งประเทศอิสราเอลไม่เห็นด้วยกับการข่มเหงชาวปาเลสไตน์และขับไล่ เขาออกจากแผ่นดินบาดาซายจึงให้เห็นว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ในคุณอานนี่ได้บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุวะลลอฮิซาลลัมเกี่ยวกับบรรดิสราอนเนื่องไว้วาบรรดอิสราอนในยูนีไม่เหมือนกันนะเขาไม่คือไม่ได้เลวกันทั้งทั้งหมดไม่ได้เลวกันทั้งหมดก็มีบรรดอิสราอนบางกลุ่มที่เขายังยิดมั่น ในคำสั่งสอนส่วนมากของคำสั่งสอนของพระเจ้าอส่วนนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องอิทธิพลดั้งเดิมมัะนะก็คือส่วนหนึ่งของบานอิสราอลเลี่ยที่เคยถูกคมเหงตลอดเนี่ยแล้วไม่ยอมที่จะเชื่อฟังบรรดานบับเบลละรัสูลเพราะมิชิฟิราอ์ที่มาบังคับ คมเห็นเขาเขาก็รู้สึกว่าฝ่าฝืนได้สิมันเป็นทศน์หนึ่งในความเห็นของปราดในในในประอัศาสตอิสลาม ที่มันมีความสำคัญต้องวิาพากวิจารเพราะมันเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เราพูดถึงนี้บรรวิสราอิลยอมสยบให้ฟิร์อานมาเป็นร้อยรอย้รอยปีจนกระทั่งท่านน บ, บีมูซาประกาศไม่พอใจและฝ่าฝืนคำสั่งของฟิราอนจึงมีความชอบ และทุกการฝ่าฝืนคำสั่งของผู้นำที่มิชอบเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาอยู่แล้วแมก้กระทั่งในศาสนาอิสลามที่บอกว่าให้เชื่อฟังผู้นำก็ในเรื่องที่มันสอดคล้องกับหลักการศาสนาอิสลามแต่ถ้าไม่สอดคล้องกับหลักการศาสนาอิสลามนี่ก็ไม่มีการเชื่อฟังท่านนบบีจึงบอกว่าเราตั้งต่ี่ม خلوق ในมารซาติลลา ไม่มีการเชื่อฟังมนุษย์คนหนึ่งด้วยสิ่งที่เอามาฝ่าฝืนพระเจ้านี่คือคำสั่งของศาสนาอยู่แล้วประวัศาสตร์อิสลามนีได้ผ่านขั้นตอนในการปรับโครงสร้างการบริหารการปกครองหลังจากที่ท่านนาบีเสียชีวิตแล้วบรรดาสหาบย รุ่นก่อนเนี่ยที่ได้บริหารตามแนวทางของท่านนบีได้แก่ท่านอบูบักรออมารอุสมานอลีที่เป็นขิลาฟะรอชิดะเป็นการปกครองที่อยู่ในแนวทางของท่านนบีสุลตลานการปกครองรุ่นหลังเนี่ยมันจะเกิดพิรุษที่ทําให้คนประชาชนส่วนมากเนี่ยไม่่อยเชื่อมั่นในผู้นำเนื่องจากว่าไม่มีความชอบ หรือผู้นำเนี่ยจะมีคุณลักษณะที่มันแย้งกันที่มันสวนกันมีความดีบางส่วนแล้ก็มีความไม่ดีบางส่วนจึงเกิดขบวนการต่อต้านผู้นำที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบเช่นในยุคอับดิลมลิก เอ็มมรวเนี่ยเป็นยุคทิ่เรีว่าอุมาวิยะเนี่ยเป็นยุคแรกเลยนะที่มีผู้ที่ออกมาต่อต้านคลิฟะเนื่องจากว่าเขามีแม้ทัพคนหนึ่งชื่ออัลฮัตยาอนี่คนนี้นี่นะคือใครที่มาเห็นด้วยกับคอลิฟะนี่ประหารชีวิตเลยขณะอัลฮัตยาเนี่ยถูกแต่งตั้งเป็นผู้ว่าเมืองกูฟา แล้วก็พอรับการแต่งตั้งนี่ไปขึ้นปราสายที่มัสยิดกูฟาแล้วก็บอกกับชาวกูฟาบอกว่าข้าพเจ้าสาบานว่าถ้าคนที่จะฝ่าฝืนข้าพเจ้าต่อไปจากนี้เนี่ยการลงโทษนี่คือตัดหัวและข้าพเจ้ายกตัวอย่างว่าถ้าข้าพเจ้าให้พวกเจ้านี่ออกจากมัสยิดประตูข้างขวานี่นะแล้วก็มีสักคนหนึ่งดันไปออกประตูข้างซ้ายนี่นะข้าพเจ้าจะตัดหัว การนี้เขาบริหารแบบโหดเหี้ยมแบบนี้เนี่ยทาให้หลายคนนี่เนี่ยไม่พอใจก็มีท่านอัลฮุไซนอับดุลาไลนี่ก็ก่อนหน้านี้นี่ก็เคยออกมากบุตรยซีดอับดุลโมอาเวะแล้วก็มีอับดุลลาบบินซูบัยนี่ก็ออกมากระบุอัลัจัแล้วก็มีรุนอัตตาบีนี่รุน صحاب านะฮุไซนอับดลนนีกบุกระบุเลยนะออกกบุยซีดเป็นคลฟะ แลขา ع ب l a h بن ز بن ص ออกมากบุละ a l i k بن مروان ซึ่ง عبد ุล a l i k รูว่าไม่ใช่ صحاب าแต่ ع ة. د u l l a h بن زباني بن صحابة เลขาอยู่ตั้ยุตีลาอัยุคนั้งยุนลายุคนาั้ง่นี่ยยตเนียเลอ่ตคนี่าอยูนีลั้คเนียา้เนี่ยเขาอยีขาอยู่ตัน ม่มีใครได้พวกนี้ว่าข่าริษมายุซฮาบะุนแต่บีนเนีขบกบได้ไงทำให้อุลลอฮ์นี่ได้มีความเชื่อว่าคาว่าข่าริษนี่ไม่ใช่ว่าเอะอะอะไรใครที่กบผู้นาจะได้กว่าวริษณ์ยัไเนี่ยไม่ใช่เก็นี่เขาก็กบผู้นำยังไงไปข่าวริยังไงอลุนนะเอกชนเลยนะคำว่าข่าวริษนี่ มันเป็นฉายาที่ถูกเรียกสมัยอาลีบนาะบีตอเลบแก่กระบฏกลุ่มนึ่ซึ่งกบฏกลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีพฤติกรรมกรบฏผู้นําอย่างเดียวนะไม่เขามีความเชื่ออย่างหนึง่งซึ่งร้ายแรงสาเหตุที่เขากระบฏผู้นำนี่นะเนื่องจากว่าเขามองว่าใครที่ทําบาปใหญ่นี่นะตกศาสนา 阿里 บ, บ์นบี ط ا ิ ب เนี่ยเขาบอกว่า阿里 บ, บ์นบี طالب มุอาเวียะทุ ก, กุมนีนะตอนเนี้ยเขาทำบาปใหญ่นี่ก็คือไม่ยอมตัดสินทั้งสองฝ่ายนี่ไม่ยอมตัดสินตามกุรอ่านตามความเชื่อของเขาและนี่เป็นเรื่องบาปใหญ่ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วอาลีก็กาเฟตมุอาเวียก็กาเฟตแล้วเขาก็ส่งตัวแทนของเขาเนี่ยไปสังหารประสบความสำเร็จกับ阿里 บ, บ์นบี ط ลิ ب แต่มุอาเวียรอดละอัมร์บนินละอัซดก็รอด แสดงว่าคําว่าคาวาริจใ น, นยุคสฮฮาบะฮ์นี่นะจะตั้งฉายานี้สําหรับคนที่มีความเชื่อว่าคนที่ทําบาปใหญ่นั้นเป็นกาเฟตตกมุลตัดแต่ความเชื่อของนบีละสฮฮาบะฮ์ละลุซุนนะวลจาม า, านีว่าคนที่ทําบาปใหญ่นี้เป็นกาเฟตไห ม, ไมคนที่ทําจิน่านี่ตกศาสนาไหมตกศาสนาไหม <c oughs> คนที่ดื่มเหล้านี่ตกศาสนาไหมไม่ตกศาสนา แค่ทําบาปใหญ่เนี่ยไม่ได้เชื่อนะคนที่เชื่อว่าบาปใหญ่นี่ทําได้คนเชื่อว่าสีนาทํารรได้ไม่บาปนะนั่นนนะ่ะตกศาสนาคนที่เชื่อว่าเหล้านี่ดื่มได้ไม่บาปนั้นนนะ่ะตกศาสนาอาจจะมีนะแต่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มากหรอกส่วนน้อยส่วนน้อยมากส่วนใหญ่นี่คนที่ทําบาปใหญ่นี่เขารู้เขากำลังทำบาปใหญ่ทำไมตกศาสนาะถอ้าทำบาปใหญ่นี้อาการได้ก็เลยสุดหน่วยจามะ แต่พอเกิดเรื่องกบฏแบบนี้และคนที่กบฏเนี่ยไม่ได้เป็นควาริชก็เป็นภูรุดิหล้อย่างในยุคของอบบยาเนี่ก็มีรุนอิมามมคอะบูฮานิฟานี่สมัยอะบูจาฟร์ม анс ูรสมัยอาบบอสส์เซฟานคนเล่นนะอันจากอุมอวยานี่มาอันจากอาบบอสิยาเล่นะ ก็มีอุลามาผู้รู้ที่ออกมากบทเช่นมูฮัมมัดุนเนฟซีอซ์กิยาอันนี้เป็นพวกอันูลบายด้ยนะเป็นลูกหลานนาบีเขาไม่พอใจาการปกครองบริาหารของคุริฟ้านในยุคนั้นกนะ็ออกมาออกมาประท้วงปกบฏไม่มีอุลามาท่านใดนี่บอกเนีว่าคนนี้เป็นขวาริพ่ออะไรเพราะเขาไม่ได้เชื่อว่าคนที่ทําบาปใหญ่ตกศาสนาแต่ปรากฏว่า กระบิแต่ละครั้งนี่นะไม่เคยประสมความสำเร็จทุกครั้งไงนะผู้ปกครองนี่ก็จับกระบฏ ท, ทั้งหมดเนี่แล้วก็ตัดหัวอลมาแต่ละรุ่นแต่ละสมัยนี่ยขาถ้ากระบฏแบบนี้เนี่ยมันไ ม, นมน่มันไม่ได้ผลนะนะฉะนั้นการกระบฏผู้นำจะแย่ขนาดไหนเนี่ยไม่ให้ทำตามใดผู้นำเนี่ย ยังไม่ตกศาสนาห้ามกระบทแล้วอุลมามะโดยเฉพาะอุลุศนอร์จามะเนี่ยเขาเห็นว่าทศนาแบบนี้เนี่ยมันจะสร้างความมั่นคงในสังคมแต่พอมารุ่นหลังเนี่ยเริ่มมีอุลมามะที่รายงานทศนานี้เนี่ยว่าเป็นเอกฉันเป็นอิจมา่าซึ่งมันไม่ใช่มันเป็นทศนาที่เกิดขึ้นในรุ่นหลังหลังจากที่ได้เห็นว่าการกระบฏนั้นนะไม่ะสมความสาเร็จ ละทศนันนี้นี่มันเกิดวิวัฒนาการมันมันพัฒนาตัวเองนะห้ามกบฏนี่ที่อุลมะรุ่นก่อนนี่ก็หมายเนื่องว่าห้ามกบฏเนี่ยด้วยอาวุธหมายยกึกยกทัพเนี่ยกบฏยกทัพมนะัน่ะไม่ได้มันพัฒนาตัวเองเนี่ยจนกระทั่งห้ามกบฏผู้นำเนี่ยแม้กระทั่งวาจาขึ้นคุตบ้านนี่ไปว่าผู้นํานี่นะอันนี้นะขา่าวอะไรจะซึ่งทัศนัแบบนี้เนะี่ยบิดาทศนันนี่ไม่มีนะสลับนี่ไม่มีนะ พะสมัยสหาบ้านี่นะสาบาอย่างระดับอุมามนุขตอบนี่คาลิวาที่เที่ยงทำที่สุดแล้ววะนะขึ้นขุตบ้านี่นะสหาบ้านไม่พอใจะอะไรมันก็ไม่ฟังไม่เชื่อไ ม, ไม่ฟังไม่อะไรทั้งสิ้นนี่นะเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนที่อชริยะทำตอนนี้นเรนื่อยกว่าเด็กๆเลยนะบยกว่าแฉแล้วกนเด็กๆ เอาไว้เปนขตา้าบอกก็จะให้เราเชื่อฟังนี่ท่านใส่ใส่โต๊ะใส่ชุดของเชลยศึกนี่นะสองตัวแล้วพวกเรานี่ได้มาคนละตัวอีกตัวนึงนี่ท่านเอามาจากไหนถ้ายัางอชยาชัยได้ในเด็กๆ เ, เลยน ะ, ะที่พูดเรื่องพันล้านเป็นพันล้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ออกมาบอกว่าพร้อมตรวจสอบและ น, นี่วนกันอย่างเงี้ยไอ้ น, นี่ก็แฉไอ้ น, นี่ก็พร้อมตรวจสอบ บอกก็ว่าที่แชเนี่ยไม่เคยทําให้ประชาชนเนี่ยเปลี่ยนแปลงอะไรเลยไปายถึงว่าบ้านเราเนี่ทุจริตนี่ก็คือมันสืบรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยเขาก็เคยได้ยินเรื่องทุจริตใช่ไหมลูกหลานนี่ก็ยังเคยเรื่องทุจริตแล้วก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแล้วเจ้าหน้าที่นี่ก็ยังหน้าด้านออกามาบอก็พร้อมตรวจสอบโดนคดีกันขนาดไหนนี่เลือกตั้งนี่ก็ยัง นี่ดูน้ำท่วมมันนะท่าดีของรัฐบาลเองเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อย ด, เ ด, ยอยดูเดี๋ยวก็เป็นนายกต่อมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราจึงต้องแยกนะว่าการที่จะตรวจสอบผู้นำวิจารณ์ผู้นำไม่ใช่กระ บ, บุไม่ใช่กระบบ มันเป็นกระบวนการตรวจสอบที่มีอยู่ในอิสลามอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าความเชื่อในทัศนะนี้เนี่ยว่าตรวจสอบผู้นําไม่ได้บุรญ์ผู้นําต่อหน้าศาสนะเนี่ยไม่ได้นี่มันเป็นขวาวร้านี่นะเราปลูกฝังกันมาเชื่อกันมาตลอดนี่นะจนกระทั่งถ้ามีใครบอกว่าโไม่ใช่นี่มันไม่ใช่ขวาวร้ไม่ใช่แบบนี้อะไรแบบเนี้ยเฮ้เราก็รู้สึกว่าผู้นำมาอัลลอฮ์บอกว่า ต้องเชื่อฟังผู้นำไม่ใช่เหรอจนเป็นเรื่องที่ปลูกฝังไว้ในเส้นเลือดของเรานี่ว่าต้องเชื่ออะไรนะผู้นำต้องเชื่อผู้นำเอาาจริงว่ามันไม่เคยเป็นอย่างเป็นข้ออ้างนะยังเป็นข้ออ้างคนที่เลื่ยมใสกับอุดมการณ์จริงๆนั่นนะนะต้องเสมอต้นเสมอไปเชื่อฝังผู้นำก็ต้องเชื่อฝังผู้นำ แต่จะเชื่อฟังผู้นําเฉพาะที่ฉันอยากจะเชื่ออยากจะเชื่อผู้นําแต่ถ้าฉันไม่อยากเชื่อละ่ะฉันก็ไม่เชื่อแต่ผู้นําบอกว่าห้ามสูบบุหรี่เพราะมันฮารอมอ่ะสูบบุหรี่เนี่ยฮารอมหนึ่งสูบไม่ได้เงียบกริบเลยอันนี้ก็ผู้นําเหมือนกันผู้นําก็สั่งกันอันนี้อันนี้อัน น, น, นี้คุยได้พอคุยได้ผมแปลกใจในแม้กระทั่งคนดีแอบอ้าง ว่าอยู่ใ น, ในทางสุน나ของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเชื่อฟังนบีแล้วก็เคยโต้เถียงกับคนที่ไม่เอาฮดี ي ส่งท่านนบีนี่น่าไม่เชื่อฟังนบีนบีห ادي สชัดเจนแบบนี้เนี่ยทาไมไม่เอาฮ ادي ส่งท่านนบีพวกไอ้ที่ตามมาซาเบียงเดียวเนี่พวกนี้เนี่ยไม่ไม่เลื่อมใสในคําสอนของอิสลามคําสอนของของนบีอย่างแท้จริงคนเดียวกันนี่นะพอไปบอกเขาว่าไอ้นี่ไอ้ใสชุดชุดสีดําเนี่ย ตอนไว้ทุกข์ฟัตัวของอุลมามะหลายคนน่ะเขาบอกว่าใส่ชุดสีดำไว้ทุกข์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเป็นการเรียนแบบคาเฟ่เพราะไม่บอกเขาว่าไม่ใช่นะไม่ใช่เรียนแบบคาเฟนะ่เนี่ยการใส่ชุดดำไว้ทุกข์มันมีตั้งแต่สมัยนั้นที่หมดแล้วนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนี่ยเวลาเขาไว้ทุกข์นี่เขาอยากใส่ชุดใส่ใสชุดดำ มีตั้งแต่สมัยนบีเนนะแล้ะดีษนบี น, นบีบอกให้ผู้หญิงภรรยาของคนนึงเนี่ยวารจิบของเขาเนี่ยให้ต้องใส่ชุดสีดําแต่สําหรับสกุที่เป็นภรรยาสําหรับคนอื่นเนี่ยไม่วารจิบแต่ถ้าอยากจะใส่เนี่ยก็ไม่ห้ามแต่สําหรับผู้หญิงนี่วารจิบแสดงว่ามีตั้งแต่สมัยนบีเพราะว่าเนี่ยคุณพูดได้ไงว่าใส่ชุดสีดำไม่ไนดะ้เพาก็อุลมามะข้อฟาตวาแต่หะดีษสองนะดีว่าใช้ได้อ สุนนะนะก็างคนด้วยสุดท้ายเนี่ยสุนนะบางคนเนี่ก็ไม่ต่างอะไรกับมัจฮับีเนี่ยคนที่ยึดในมัซฮับชาฟีีเนี่ยเขาบอกเขาว่านี่มัซฮับชาฟีเหม่อนะาดีสุนท่านอะบนี้เฮ้ยจะรู้เองจะรู้มากกว่ามัซฮับรู้มากกว่าอิหมัมชาฟีล่ะอันนี้ก็เหมือนกันเฮ้ยทาไมไม่ใสทำไมสั่นไม่ได้เนี่ยเพราะเบบ้าสกับฟัดวเยอะคนนูอุลามะคนนูกับฟัดั อที่นีแหละคือรูปแค่รูมักอิมบิบาลอัลบานีที่จริงอัลบานีก็ไม่ะตัวนะเพราะริสนีเนอัลบานีบอกว่าเป็นฮาริสไซด์ก็กลับมาสู่เรื่องที่บอกกับพี่น้องว่ามันมันคือเรื่องความดั้งเดิมเราได้ประโยชน์อะไรจากการเรียนรู้คุรานและ นบีถ้าเรายังมีอิทธิพลอื่นจากคุอ่าและหรหัสของท่านนาบีมาครอบงำสมองของเราไอ้พวกเสรีนิย ม, มนะเสรีนิย ม, มเขาบอกว่าเราต้องปลดแอกทุกอย่างที่จะ ครอบงาความเป็นมนุษย์ของเราเนี่เราต้องปลดหมดไม่มีอะไรจะไม่มีอิทธิพลกับเราทาเสรีนิยมนี่จะต้องให้ความสุขของตัวเองทัศนคติของตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่ที่สุดมันก็ไม่ควรที่จะให้ร ส, สนิยมหรือทัศน์นิยมของมนุษย์เนี่ยมันมีอิทธิพล แต่ที่แปลกนะว่าพวกเสรีนิยมนี่นะเขาก็มีเขาก็มีแอกหลายแอกที่มาครอบงาชีวิตของเขาและสมองของเขาสําหรับมุสลิมที่เรียนรู้กุรานและฮะดีสเนี่ยถ้าได้ประโยชน์เดียวในชีวิตนะต้องปลดแอกทุกแอกเลยนักวิชาการมัจฮับทั้งหมดนี่นะเคารพได้แต่ต้องอยู่ใต้กุรานและฮะดีส เหมือนที่นักกฎหมายบอกว่าใครจะมีอำนาจกระชั่งแต่สุดท้ายเนี่ยสูงสุดเนี่ยต้องมีอะไรนะรัฐธรรมนูญต้องสูงสุดถ้าอย่างนั้นแล้วน ะ, ะ, สะแสดงว่าประชาชนเนี่ยบริหารประเทศอย่างสุขสบายแต่ถ้ามีใครยังเหนือกฎหมายเหนือรัฐธรรมนูญโดยพิธีนก็ตามน ะ, สะแสดงว่าประชาชนเนี่ยยัง ยังอยู่แบบปกติสุขไม่ได้คนจะเอากฎหมายมาใช้เป็นเครื่องมือของตัวเองสแสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเองจะเป็นสถาบันไหนก็ตาสถาบันไหนก็ตามก็แสดงว่าประชาชนนี่ยังยังไม่สามารถสร้างบรรทัดฐานที่มีความเสมอภาคให้ประชาชนทั่วไปเหมือนกันแหละ ในสังคมมุสลิมเนี่ยถ้าหากว่ามีใครเหนือ ก, กว่าคุณอ่านเหนือกว่าหัตติสเราจะเข้าใจนะคุณอ่านและหัตติเนี่ยก็ต้องมีผู้รู้ผ่านผู้รู้ถูกต้องแต่ผู้รู้ไม่ใช่คนหนึ่งคนใดที่จะมีอิทธิฤทธิ์หรืออิทธิพลเหนือกว่าผู้รู้คนอื่นอย่างเช่นคนยึดในมัจจับฮานาวีกับคนยึดในมัจจับชเี คนนิยตในมัสยิดชเวีเขาก็อ้างฮะดีบหนึ่งคนนิยตมัสยินาฟีอ้างหะดีบหนึ่งเหมือนมัสอะลาเดืองสัมผัสเอาว้เพที่ผมได้นาเสนอข้างต้นเนี่ยไอคนนิยตมัสยิดชาวีนี่เขาก็โตเถียงกับมัสยิดฮานาฟีบอกว่าไอะดีสุงฉันนี่ถูกต้องคนยตมัสานาฟีเนี่ยเาบอกว่าใช่แต่ฮะดีสุงตัวเองเนี่ยฮะดีสดอยฟแล้วก็อิหม่ามของฉันเนี่ยตีความไอมัสิชวีนี่ก็บอกว่าเช่นเดียวกันะดีสุงเองเนี่ยก็ดอย และอิม่าองันนีก็ตีความเราโตเถียงโดยที่ให้ตัวบทหลักฐานเนี่ยเป็นที่สุดหมายถึงว่าทัศนะของอุลมามะท่านหนึ่งท่านใดเนี่ยจะมีความสำคัญหรือมีน้ำหนักเหนือกว่าตัวหลักฐานไม่ได้อามีฮาริสและก็มีทัศนะ ความเห็นของผู้รู้เอ้ยยังไงชั้นเก่เาของผู้รู้อัเอลกฮาฮัดีสนี่แหละถ้าไม่มีคําตอบนะทําแบบนี้ไม่ได้เอ้ยฮัดีสหรืออาญะหนี่คุณต้องตอบนะคุณจะตีความคุณยาะะไรก็ได้แต่ต้องแต่ต้องมีคำตอบแต่คุณปล่อยหัดิสและวก็ลกหลักฐานนี่ลอยไอ้อย่างนั้นนะ่ะแล้วก็ยึดทัศน้ของอุลมามะของฉันอย่างเดียวเนี่ยนี่ไม่ได้ทําไม่ได้นี่เท่ากับทัศน้นี่ยนะมีความสําคัญมากกว่าตัวบทหลักฐาน อันนี้นในใ น, ในด้านความเชื่อนะด้าน إ ي ม ا ن นะนะอาจจะมีความเสี่ยงถ้าว่าเราให้ความเคารพในการเชื่อฟังผู้นําขนาดไหนนะแต่พอมาเชื่อฟังอัลลอฮฺละซุนนี่ปรากฏว่ามันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องปนามปา ร, ร, ราเรื่องนามธรรมาเชื่อฟังอัลลอฮฺละซุนนี่มันก็คือเรื่องเราเราเร า, เราหลอกตัวเองอ่ะต้องเลื่อมใสในกุอีอัละฮะดีษและถ้าเราสามารถปลดแอกพวกนี้ได้ตามฮะดีษตามกุฎีอัละฮะดีษเส้นเดียว ความภูมิใจของมุสลิมที่จะไม่มีเจ้านายไม่มีเจ้านายที่จะมากํากับมาบังคับบัญชามาอะไรในชีวิตของเขาเนี่ยนอกจากอัลลอฮฺละซูลแท้จริงแล้วนี่นะอิหมัมมัซฮับทั้งหลายเนี่ยที่มีอิทธิพลต่อเรานี่ก็เนื่องจากว่าเขามีตัวบทหลักฐานนะคือถ้าสมมติว่าอิหมัมชฟีหมาบูฮานิฟ่าเนี่เยเขาพูดลอยๆไม่มีหลักฐานเลยอะนะก็ไรความหมายอะไรน้ําหนักเลย มีมีน้ำหนักในกระบ็นการมีตัวบทหลักฐานถ้าเราเชื่อตามนี้ในชีวิตของเรานีคือจะสูงสง่งมากและนี่คือประโยชน์ของการเรียนรู้อัลกุรอานและหะดีษบรนุอิสราเอลไม่สามารถที่จะนำอุทาหรณ์นี้หลังจากที่ได้ถูกโคมเห็ กับฟิร์อาวนีนะ่พอได้ใช้ชีวิตอิสระแล้วเนี่ยให้เชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังท่านนาบีมูซากับไม่เอากับไม่เอาซึ่งเป็นเรื่องตรงข้ามกับฟิร์อาวนะฟิรอาวนี่ตอนนี้มีอิสระนะสุขสบายมีอำนาจนะต่อต้านมูซาต่อต้านคำสั่งของพระเจ้าแต่พอจมน้ำแล้วนี่นะเขาบอกว่าฉันศรัทธาแล้วแอมันตุ อ م ن นต ن ه لا น ل ه น ل ا ا ل ม่ใช่พระเจ้าอื่นนอกจากพระองค์ท ي ่เอบุตรชางอิสาและนเน้ที่อกว่าฉันเป็นมุึลินอามะอก็อคนคือตอนตายท่านนัลกุรบอกว่าการเตาบโตัวของพวกเรา่อมมีผลก่อนวิญญาณถึงลูกกระดึก ที่เราที่ผมบอกว่าเรียกเรียกกันก็ร้หรือเสียงเสียงที่วิญญาณกําลังออกจากร่างขั้นสุดท้ายนี่ก็คือที่ลูกกระเดืองวิญญาณวิญญาณมันจะออกจะออกจากตรง น, นี้นะก็ะหมายถึงว่าการออกของวิญญาณเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ออกจากสมองไม่ได้ออกจากตานะออกจากตรงนี้ และนี่คือเหตุที่จะทําให้ลูกกระเดื่องมันจะมีเสียงก่อนตายเพราะออกจากตรงนี้แล้วนี่นะออกจากตรงนี้เราไม่รู้ว่ารูปร่างของวิญญาณนี่ยังไงนะอย่าไปดูหนังการ์ตูนแล้วเชื่อตามนั้นนะก็อย่าเชื่อว่าอ๋อวิญญาณนี่แสดงวรูปร่างวิญญาณนี่ก็เหมือนร่างกายของเราใช่ไหมวิญญาณนี่ก็จะมีศีสระมีมือนไม่มีไม่มีแฮ ร, ร์ ไม่มีใครรู้ว่ารูปร่างของวิญญาณนี่มันเป็นยังไงฉะนั้นจะบอกว่าเอ้าแล้วมันออกแลูกกระโดดแล้วก็วินล้วีระนี่มันจะออกอย่างนี้คืออย่าไปคิดตามตามนั้นไงตามการ์ตูนที่เราดูไงไม่ใช่ไงออกจากลูกกระเดือกแล้วนี่นะลู ก, กต า, ข อ, าของร่างของเราเนี่มันเห็นวิญญาณออกจากร่างเนี่ยส่วนมากคนที่เสียชีวิตเนี่ยลู ก, กตามันก็จะมันก็จะมองข้างบนในตามุญญาณทําไมก็อยู่ด้วยกันมานาะน ก่อนที่จะตายเนี่ยถ้าเตาบัดตัวถ้ากา ล, า ล, า ล, าล่าวอะไรๆลงหล่อได้ผมรับที่เราเนี่ยดันไปศรัทธานี่ดันไปศรัทธานี่หลังจากที่ได้จมน้ำแล้วก็ถึงแก่ตายแล้วก็รยายงานให้พี่น้องได้ฟังฮาดีษของท่านอัลกอราลัลลอฮ์สั่งลที่บันดุกัอับดุที่ท่านจิบรี บอกกับท่านนาบีบอกว่าโ อ, โอ้โอ้ท่านนาบีมุฮัมมัดถ้าถ้าท่านเห็นฉันตอนนี้ฟิราวนี่จมน้าแล้วก็ฉันเอาโคลนดินของทะเลเนี่ยไปยัดปากของฟิราวนี่เพื่อไม่ให้กล่าวเตาบัด ต, ตัวเสียงดังเกรงว่าเราจะเมตตาเขาอย่างที่อธิบายนะว่าอเล็กก็อเล็กก็คงรู้แหละ ว่าท่านจิบรีทำอะไรอยู่แล้วใช่ั้ยอัลลอฮ์ก็คงประสงค์แล้วล่ะว่ววาว่าวาวเราเนี่ยคงไม่ได้ศรัทธาอย่างจริงใจการศรัทธาของเขานี่ก็คือความศรัทธาในวาระสุดท้ายหลังจากที่ได้หมดโอกาสทุกโอกาสที่อัลลอฮ์ให้ให้ไปแล้วแต่เป็นบทเรียนสำหรับผู้ศรัทธาทุกคน ว่าเราไม่ควรที่จะไปตกในภาวะที่เสียโอกาสไม่ใช่ภาวะที่ลองโอกาสทุกโอกาสในการทำความชั่วและไม่เตาบัดตัวนะแต่พอมาถึงโอกาสสุดท้ายนะจึงจะเลือกโอกาสเตาบักตัวเหมือนเล่นการพนันเหมือนกับพนันกับอัลลอฮ พนั่นกับอัลลอฮ์นี่ยังไงนี่หมายถึงว่าตอนมีสุขภาพดีตอนมีเงินตอนมีวาระที่เราสุขสบายใช่ปะเราพานันเราพานันด้วยไพ่ที่เข้าข้างตัวเองก็คือไม่ฟังอัลลอฮ์มีสุขภาพดียังไม่ละหมาดมีเงินยังไม่สะกดเนี่ยไพ่ไพ่ไที่เข้าข้างตัวเองพนันกับสิ่งที่เข้าข้างตัวเองใกล้จะตายแล้วอะเอ า, เอาไพ่ เพราะจะตายแล้วนะเขาข้างอัลล์มันไม่แฟร์สิมันไม่แฟร์เลยอัลล์จึงตำหนิฟิร์โอนิบว่าอัลอาณ์นวัดอาซัยเตคำเนี่ยอัลอานมันเป็นสองคำออเป็นคำถามแล้วก็ อัลอนะมันก็เลยมีสองฮัมซ a อัลอนะอัลอนะมัดนี้หรือตอนนี้หรือมันก็เลยเป็นอัลอนะอัลอนะถ้ามันมีสองฮัม za เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นมัดแอลอนะถ้ามีมัดแบบนี้เนี่ยและหลังจากนั้นเนี่ยมีสุกูลก็คือตัวรามนี่นะในกิราะของฮัฟส์เนี่ยเขาก็จะอ่าน เป็นมด lazim ไปละอัลอาณาว่าดั้งอาซัยต์คุบลูว่าคุณต์ต์ต์ต์ต์ต์ต่ต์ต์ต์ต์ต์ต่ต์ต์ต์ต์ต์ต์ต์ต์ต์ต์ต์ต์ต์ต์ต์ต์ต์ตนน์ต์ต์ตาต์ต์น์ต์ต์ต์ต์ต์ต์ต์ต์ต์ต์ี์ต์ตอต์ต์ต์ต์ต์น์ต์น์ต์ต์ต์ตาตอนนี้หรือบัตนี้หรือ ที่เขาบอกว่าฉันขอศรัทธานะฮะเราก็บัดนี้จะมาศรัทธาตอนนี้ว่ากรดาษไสตะกำลัวกุนเตมินัลมูฟซีดีนและแน่นอนเจ้าเป็นผู้ทรยด์ก่อนหน้านี้ทรยด์ก่อนหน้านี้กี่ครั้งละ่ะครั้งแรกที่นบีมูซามาดาว่าเขาดีๆเขาก็ยย่อท่านนบีมูซา ครั้งที่สองท้าทายมาแสดงความสามารถของแต่ละฝ่ายนะก็ไม่ยอมแล้วก็หลังจากนั้นนะ่ะอัลลอฮได้ส่งสัญญาณ9สัญญาณ น, น้ำจืดในประหยิบในการเป็นเลือดแล้วก็เห็นกบเต็มบ้านเต็มเมืองหลายหลายฝนะีที่ใอาญาเต็มใบีนะแต่เราก็บกวมี9้าสัญญาณที่เราได้ส่งไว้เตือนฟิร์อา เก้าครั้งนี่ก็ไม่ไม่เอานี่เกือบสิบสองครั้งแล้วทุกครั้งนี่ก็ทรอยต์ทุกครั้งนี่ก็ฝ่าฝืนทุกครั้งนี่ก็ท้าทายอัลลอฮ์อัลอลอฮ์ก็บอกว่าบาัดนี้หรือจะมาศรัทธาตอนนี้หรือแล้วก่อนหน้านี้ละ่อะอัไซเะเจ้าทรยอยต์อัลไซเดะมัลซิยานี่คือฝ่าฝืนเจ้าทา้าทายฝา่าฝืนทรยต์คาสั่ง ของข้าคำสั่งของลอสุภานวตาลาวากุนตตมินาลูสิดีและเจ้าเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้บ่อนทำลายครับก็ฝากเพียงแค่นี้นะครับบุศอลลัลลอฮอลบีนามุฮัมมัดวะลาฮซีอุสสลัมุสาลมุอะมีคำถามหมครับครับครับที่เขาตั้งทัีแล้วก็มุที่เขาไม่ละหมาดาสนก็ยังเป็นมุสลิมทั้งภาคียังไงทำชีดิกใช่ป่ะมีชีิกเล็กและชิดิกใหญ่ เขทาทำแบบไหนถ้นาถ้ทาทำชิริกเล็กเช่นสาบานด้วยน้มอื่นจากอัลลอฮฺสุภานะอานะอีชิริกเล็กอันนี้ก็ยังเป็นมุสลิมแต่กี่เทียบกับอะไรนะกับคนที่อะไรนะก็คนที่ไม่ละหมาดอ๋อแต่คนที่ทำชิริกเล็กกับละหมาดนี่ก็เป็นบาปใหญ่ทศนะอุลามาส่วนมาก ก็บอกว่าการการละหมาดการทิ้งละหมาดนี่ก็ถือว่าบาปใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าชริกเล็กแต่ถ้าเสนอเ่งที่บอกว่าการละหมาดนี่คือตกศาสนาเลยนีแน่นแน่นอนก็ถือว่าใหญ่กว่าชีริกเล็กแน่นอนแต่ถึงว่าไม่ใช่ไม่ใช่ชริกใหญ่ไม่ใช่การละหมาดไอ้การการทิ้งละหมาดนี่ไม่ตกศาสนานะเป็นบาปใหญ่นะมันก็ยังใหญ่กว่าชริก เพราะการทำชิริกเล็กเนี่ยไม่มีขีลาฟว่าไม่ตกศาสนาชิริกเล็กกันได้อย่างเช่นสาบานด้วยพระนามอื่นที่ไม่ใช่พระนามองลอตเนี่ยเอกฉันเลยว่าไม่ตกไม่ทําให้ตกศาสนาแต่การทิ้งละมานี่นะยังมีชีลาว่าให้ตกศาสนาแสดงว่าอันไหนที่ใหญ่กว่าการทิ้งละมานะครับที่ท่านธรรมิกาบอกว่า เอียร์ดีครับจริงเาอยู่กับขันทั้งท่ว่านนี่ะนบีได้อยู่กับบรรลุเชลีแต่ว่าเวลาท่านนบีจะนอนสลัมอยู่กับทานมูซกอะมันอนมาานานมอยู่กับเรานีในสัมมวลนะครับคือท่านนาบีมูซานี่ในฐานะที่เป็นเป็น ที่หวังที่พึ่งของบรรดอิสราเอลบรรดอิสราเอลเนี่ยไม่ได้มีการคาดหวังอะไรเลยว่าตัวพวกเขาเนี่ยจะช่วยอะไรได้ฉะนั้นพอมันเกิดวิกฤตแล้วเนี่ยกอลูยามูซาเขาบอกเขาเขาพูดกับเขาพูดกับมูซาแสดงว่าเขาโยน ความรับผิดชอบโยนโยนคดีนี้ทั้งหมดนี่นะมูซาเราจะทำยังไงใช่ไหมและในฐานหน้าที่ทางรอดเนี่ยมันจะเป็นมุอดีษะที่ไม่มีใครสามารถทำได้นอกจากนบีที่ได้รับอำนาจจากอัลลอฮ์อย่างแท้จริงอะนะจึงเป็นอภิสิทธิ์ของท่านนบีมูซาที่จะอ้างถึงความช่วยเหลือ ที่จะมาอยู่กับตัวท่านเองโดยเฉพาะจึงเป็นคำตอบว่ากันลาไม่หรอกเขาไม่ทันเราเนะี่ยอินเนามะอียารบบีไยัดีนอัลลอฮ์จะให้ทางํางนำกับฉันก็คือการที่จะใช้ไม้เทา้าตีทะเลแล้วก็แยกเป็นสิบสองซอยซึ่งเรื่องนี้บรรุสลัยนี่ไม่ไม่ไม่เกี่ยวแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีส่วนอะไรแต่ส่วนการหลบห น, ข น, นบีของท่านนบีมูของท่านนบมุฮัมมัดแลก็อับุบก ในไปซ่อนตัวในถ้ำไฮรอเนี่ยมันไม่ได้มีมราตที่ท่านนบีจะแสดงด้วยตัวท่านนบีเองดนั้นอบูบักยบอกกับท่านนบีบอกว่าอัลลอฮิอารลลลอฮิเลน ر ً و ل ا م َ ه ِ لَا ن ถ้าพวกเขานี่แค่มองที่ไปเท้านี่นะเขาก็เห็นาแล้วเพราะเพราะ เพราะหลุมหลุมที่ท่านอาบับดุลเบคและท่านนาบีและอบับดุลเนี่ยซ่อนอยู่เนี่ยมันอยู่มันเหมือนลูกหลุมอะมันอยู่ข้างล่างแล้วเขาก็มาเดินเดินข้างบนนี่นะแล้วก็ะทําเนี่ ย, นะยมันจะต้องลงลงไปข้างลาง่างแทนนั้นถ้าเขามองที่ปลายเท้านี่นะเขาก็เห็นละเห็นท่านนาบีอย่างน้อง น, นี่ก็เห็นอะไรสักอย่างเห็นเงาเห็นอะไรสักอย่างเนี่ยและนี่เป็นหลักฐานว่าหน้าถ้ำเนี่ยไม่ได้มีใ ย, ยแมงมุมหรือไข่นกพิราบไม่มีไม่มีแน่นอน เะถากวมีไอ้แมงมุมหรือไข่นกวิราบนี่ก็ก็ก็คงไม่ได้มาแล้วใครจะไปอยู่ในถ้ำแต่นี่มันมันมีพิรุธที่สามารถให้เห็นได้มันไม่ได้มีมรดิศาสตรอะไรที่นบีจะต้องทําเป็นการเฉพาะนาบีก็เลยบอกว่า ad, อินนัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์ยู่กับเราทั้งสองหมายเราจะคุ้มครองเราทั้งสองคนนี่เป็นการคุ้มครองที่อัลลอฮ์จะให้กับเราทั้งสอง หรือว่าอาจจะไม่มีเคล็ดลับอะไรามากเกี่ยวกับเริ่องสำนวนว่าอันนี้พรุพจน์อันนี้เอกพจน์อาจจะไม่มีก็คือมูซ า, าเป็นมูซาเป็นนบีที่กําลังทําหน้าที่ปกป้องบรรูอิสราเอลอยู่คนเดียวก็เลยบอกว่าพระเจ้าช่วยฉันใครจะมาใครจะมามช่วยบรรูอิสราเอลนอกจากนบีนบีมูซาแต่สําหรับท่านนบีมูฮัมมัดและก็ท่านอบูบักมันไม่ได้มีการขอความช่วยเหลือ แล้วนบีไม่ต้องมาแสดงว่าเออพราะฉันคนเดียวมันไม่ใช่ก็่เขาก็ไปด้วยกันแล้วเราก็คุ้มครองทั้งสองอินนั่ลลอฮฺมานะเพราะสองคนนี่ก็ <c oughs> ก็สามารถที่จะใช้ประคดได้น a, นะี่อัลลอฮฺมากนอยู่กับเราทั้งสองหรือทั้งหมดอาจจะไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรมากก็ได้นะครับแต่ก็พยายามพยายามที่จะให้ให้เหตุผลว่าว่าสำนวนนี่อาจจะมีข้อแตกต่างก็ได้นะครับ ي ي อินนัลลาฮฺมะอานะเลกอินนั้มายะรับบีซัยฮดีนอุลมะบันตันนีย์ดีข้ได้ีบบเทียบระหว่างสำนวนสองสำนวนนะ่ะนะก็ บ, บางคนก็บอกว่านี่คือนี่คือความเรียกว่าความเป็นยามาฮของท่านนาบีมุฮัมมัดสละซที่ไว้ใจประชาชนของท่านมากกว่าท่านนาบีมุส ท่านนาบีมุซ่านีได้ได้เห็นความทรยศของบนุอิสรอีนจึงอ้างทางนำที่พระเจ้าให้นี่นะกับตัวท่านคนเดียวแต่ท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยไม่ได้สงวนทางนำหรือความช่วยเหลือให้ตัวท่านคนเดียวแต่ให้คนที่อยู่กับท่านด้วยนลลมครับมีคำถามอื่นอื่นไหมครับไม่มี ขอพระเป็นเจ้าดีนนะครับว่า صلى الله عليه وآله و Muhammad وعليه ا ل س ل ا وعليكم و ر ح م